Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. ลังรมกันวันนี้หลวงพ่อก็ไปค่อยๆอยู่บัดไปโน่นไปนี่ไปไหนๆก็ไปสอนทมก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องรีบด่วนแล้วิดวิตของเราก็มีหลายอย่างที่เรายังไม่ค่อยรู้จักแกมแจ้ง ให้กายให้จิตใจหลอกตัวเองแทนที่มันจะหลอกไม่ได้เราก็แพ้ต่อกายแพ้ต่อจิตใจอะไรที่แสดงออกทางกายทางจิตเราก็จำน้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งๆ ท, ง ท, งที่ไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นในหลักคาสอนพระพุทธเจ้าองค์ ก, ก็เอาชนะกายเอาชนะจิตใจ เอาชนะกายก็คือตัวปัญญาไม่ใช่ไม่กินไม่หับไม่นอนไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงตัวปัญญาชนะจิตใจก็คือตัวปัญญาไม่ต้องไปลบลไปลาไปสู้เหมอนกับตัวโหริอย่างอื่นมีแต่การเจริญสติโลจักูลกแจมแจ้งอะไรที่พลงพลังเฉือนออก เือนส่วนขี้ริ้วคือความโกรธความโลภ ค, ความหลงความรักความชังความไม่ตกกังวลอันนี้เรียกว่าขี้ริ้วของชีวิตพระพุทธเจ้าเฉือนออกหมดสิ้นแล้วให้หมดจดแล้วชีวิตการเจริญสติก็เริ่มต้นตั้งแต่การเจริญสติไปในกายจนเห็นกายตามความเป็นจริง เป็นจะเลยออกไปได้ว่ากายสภาวะกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราเฉือนออกแล้วเฉือนชี้เลี้วออกแล้วที่จะเอากายมาเป็นตนที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีมีแต่ตัวปัญญาเห็นอย่างแก่มแจ้งอะไรที่มันเป็นเรื่องของกายเห็นหมดเห็นครบเห็นท่วนเป็นตัวปัญญาเหลือแต่เอาไปใช้ที่เป็นให้ กายทำความดใีให้กายมาเป็นตัวที่ทําความชั่วเอากายมาเลาะความชั่วเอากายมาทำความดีนะจนเห็นอะไรต่างๆที่มันหลักสูตรของมันก็มีตามที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบทุกคนก็เห็นเหมือนกันเราเคลื่อนเราไหวแล้วก็เห็นมันเคลื่อนมันไหวที่เป็นส่วนกายเนาะเปิด อ, อกให้มันเห็น แสดงให้มันดูเอามาแสดงให้สติดูเอากายมาแสดงให้มันเห็นให้มันเกิดความรู้มาปลูกมาฝังมาเป็นวัสดุอุปกรณ์สร้างความรู้อย่าให้มันไปสร้างแต่ความหลงจิงไหนที่มันจะหลงมันออกมาโชว์เรื่องของกายเรื่องของเวทนาบ้างเวทนาคือสุขคือทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายนะ่ มันเป็นสุขเป็นทุกข์เก่งหรือเวทนานะเห็นไปลึกๆกขุนนั่นได้ไหมเวทนาศักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไปข้ามล่วงไปนะเราไว้หลังข้ามล่วงไปเพราะว่าตัวเวทนามันโชนะมันโชวขวงหน้าของตาเราก็เห็นมันอีกตัวสติเข้าไปดูไปเห็นจน เกิด ค, ความรู้แจ้งว่าเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกคนตัวตนเราเขาไม่เอาเวทนามาเป็นสุขไม่เอาเวทนามาเป็นทุกข์เอาเวทนามาเป็นตัวปัญญารู้อย่างแกมแจ้งที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เฉือนโลกมันเป็นส่วนชี้ลิว้วมันไม่จำเป็นแต่ตัวปัญญาไปกํากับไปตรวจสอบมัหลุดออกไป สิ่งก็ไปเห็นจิตจิตมันก็สุกสนุนทรเกินเวลาเราจเจริญสติเนี่ยแสงหน้าแสงหลังคิดโน่นคิดนี้ไว้ได้ทุกที่ทุกทางจิตเนี่ยส้ำสซ้ำสนสมสซ้นออกไปง่ายเข้าไปง่ายกายในเปรียบเหมือนถ้าจิตเป็นเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งที่อยู่ในถ้าพลุกออกไปพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบแบบนั้นลูกเห็นมันคิดได้คิดดี ไม่ได้ตั้งใจมากก็คิดขึ้นมาเองคิดขึ้นมาแล้วก็ไว้ตามอาการที่มันคิดเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดตัวเองเกิดความรักความชังเพราะความคิดตัวเองเกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะความคิดตัวเองเกิดความเวทโตกังวลเศร้าหมองเพราะความคิดตัวเองแต่มันคิดขึ้นมาของที่เคยรักก็ชังได้ของที่เคยชังก็รักได้จนถึงกับฆ่ากันทำลายกันบ้างผ่านกันได้เพราะความคิด มาดูสิยงเก่งๆดูสิว่าคืออะไรตัวจิตที่มันคิดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนมันเกิดขึ้นมาจิดมันก็คิดมันมีสองอย่างตั้งใจคิดไม่ได้ตั้งใจคิดตัวคิดที่ตั้งใจมีไม่มากเท่าไหร่หรอกดีไม่ดีขี้เกียจคิดด้วยซ้ำไปแต่ตัวคิดที่ไม่ได้ตั้งใจน่ะมันมากไปอาสาษาพระเจ้าเรียกว่าสังขารหรือสมุทัย ตัวนี้มันขยันบองเขาก็ขยันพอสังขาร น, นี่เป็นตัวขยันเหมือนช่างปั้นหมอ้อเป็นไอคีบ พ, พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบตัวคิดเนี่ยเหมือนช่างปันงป้นหม้อช่างปั้นหม้อเนีจะปั้นลูกสวยลูกไม่สวยลูกใหญ่ลูกเล็กก็แตกเท่านั้นไม่จีิงหลังยั่งยืนความคิดของกิจที่ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ใช่ตัวใช่ตนจริงๆไม่ใช่ตัวใช่ตนจริงๆ จนเห็นว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีสติเข้าไปดูไปเห็นรูอย่างเก่มแจ้งเรียกว่าเฉือนส่วนชิลิวออกอีกหรือแตเน่าไปะนะเอากิตมาทำประโยชน์ก็มีปัญญาเกิดขึ้นเห็นกายก็เป็นปัญญาเห็นเวทนาก็เป็นปัญญาเห็นจิตที่มันคิดก็เป็นปัญญาแต่ก่อนมันหลง ความหลงเกิดจากความคิดมีมากส่วนมากมากเกินหลงคิดกันมาแล้วก็นอนไม่หลับคิดขึ้นมาแล้วมําตาล่วงตาไหลโกรธใจสัน่นกังวลเศร้าหมองอะไรต่างๆนั่นคือความคิดคิดขึ้นมาแล้วเป็นได้ทุกอย่างออกผิวเราไปเห็นแจ่มแจ้งมันะ้เห็นอย่างแก่มแจ้ง เห็นความคิดเอาไหว่หลังอะไรที่เป็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมันเห็นชัดกว่าอย่างอื่นถ้าจะพูดแล้วตัวคิดที่ไม่ได้ตั้งใจน่ะเป็นสิ่งสุขปรกกวัวกายแต่เป็นสิ่งที่มา เ, เพื่อนชีวิตเราก็คือความคิดถ้าจะเป็นบาปเป็นจำเลยก็หมายเลขหนึ่งที่พาให้เราทําบาปทํากรรม ตัคิดเนี่ยแต่ว่าโลกทั้งหลายเขาไม่ได้จับตรงนี้เขาไม่ได้ดูตรงนี้เขาไปเอาผิดจากกายจากคําพูดจับกลุ่มคงขังหรือประหารชีวิตกันแต่เขาไม่รู้ว่าหลักมันจริงๆต้นเหตุมันคือความคิดเอามาดูอีกทีนึง่งต้นเหตุจริงๆก็ไม่ใช่ความคิดเป็นตัวหลงตัวหลงก็พอดีกับเรามาสร้างตัวรู้ ตัวรู้สึกตัวประกบกับตัวหลงก็เลยไปไม่รอดตัวหลงไปไม่รอดแสดงออกทางไหนก็รู้แสดงออกทางกายก็เห็นว่ากายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกคนตัวตนเราเขาแสดงออกทางเวทนาก็เห็นเป็นเวทนาไม่ได้หลงเลยวะนะหายใ่สัตว์ปุกคนตัวตนเราเขาแสดงออกทางกิจก็เห็นไม่ได้หลงตรงนี้ถ้าเป็นด่านก็กักเราไปได้แล้ว มันกกักเรามาอยู่แล้วพอเรารู้แจ้งเราชอบทำสักแต่ว่าสแต่ว่าเป็นความชอบทำไม่ใช่กูไปใช่ตนอันไหนที่มันเกิดเคลือนกายเป็นกูเป็นตนอันนั้นไม่ชอบทำไม่เป็นธรรมไปทนาความคิดก็ดีไม่ใช่ตนอยู่ในความคิดบางทีเราไปเอาความคิดที่เป็นตัวเป็นตนมาเป็นตัวเป็นตนเย่นมันโกรธบางทีไปเอาความโกรธมาเป็นตัวเป็นตน ระวังนะถ้ากูได้โกรธเนี่ยไม่ใช่คนนี้นะถ้ากูได้โกรธในีตายคงก็ไม่ลืมนะถ้ากูได้โกรธกูไม่ด่ามันกูไม่ยอมนะไล่ไปกว่านั้นถ้ากูได้โกรธแล้วกูไม่ได้ฆ่ามันกูไม่ยอมเอาตัวตนเอามาเป็นตัวเป็นตนเอาความโกรธมาเป็นตัวเป็นตนถูกความโกรธหลอกพอให้เสียผู้เสียคนมาเป็นจานวนมาก เราเสียเวลากับความคิดความโกรธความโลภความหลงนานเท่าไหร่กี่พบขี่ชติต่อกันมาต่อกันมาจนมาถึงพวกเราทุกันน่แค่นี้นะมันจะทำไมเราจังไปยอมจำนนต่อมันพอมามีสติแล้วเนี่ยโอ้มันก็แค่นี้เองเนาะมันเช่นผมบองภูเขาเช่นผมบังภูเขา เพียงแต่พูดว่าความโลภความโกรธความหลงเราก็ยอมแล้วมอบให้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในโลกนี้ไม่มีใครที่จะทําลายความโลภความโกรธลงความห ล, ลงลงได้นอกแก่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นคําพูดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิการตัดสั้นุของพระพุทธเจ้าน่ะมันเป็นเพื่อผลทุศยชาติทั้งมวลสามารถปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้ ให้ผลได้ทุกคนวิธีที่เราทำวิธีที่เราปฏิบัติหมู่หลวงพ่อจึงรีบด่วนไม่เห็นแต่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปบอกไปสอนคนทั่วทั่วไปไปรอบโลกก็ไปแล้วหลายปเทศไปพูดเรื่องนี้พูดเรื่องการเจริญสติการยกมือสร้างจาังหว่า ไปสาธิตยอยู่กับพวกคนหลังสหรัฐอเมริกาเอ็กมือขึ้นรู้ไหมภาษาฝรั่งเขาว่าอะไรเอเวหรือใชภาษาพวกเรา ก, รก็รู้สึกรู้สึกภาษาอีสานบ่าเนาะหูเมียหูเมียเอา้เอาตัวรู้สึกเนี่เป็นของใครบางของก็พวกนับถือคิดศาสน า, เ, าเป็นของคิดเลยก็ไม่ใช่ เป็นความรู้สึกตัวเอาพูดหรือเป็นของพูดหรือไม่ใช่เป็นความรู้สึกตัวเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กเป็นเล็กคนเท่าคนเฉลียวมันคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวน่ะมันเป็นสาขุนว่าแต่ใครยกมือขึ้นรู้สึกตัวนะนนนว ใ, นวนะใช่แล้วไม่ต้องรอเลยนาทีเดียววินาทีเดียวเสี่ยววินาทีไม่ต้องรอรู้สึกกันเท่านั้นแต่รู้มันเป็นไรถ้ารู้มันก็ไม่หลง เวลาใดมันหลงรู้สึกตัวค ว, ความหลงก็หมดไปความรู้สึกตัวไปแทนทันเดีถูกต้องเราสมผัสกับความรู้เราสมผัสกับความรู้หลายวันพอมันหลงปั๊บขึ้นมานไม่มีอะไรที่จะเห็นชัดเท่ากับความหลงชีวิตเรามีตัวรู้ตัวหลงมีตัวรู้ตัวหลงเท่านั้นเราจริงๆนะพอตัวหลงเกิดขึ้นรู้ปั๊บ รู้บาวถ้าเป็นบุญก็เอ้าละบาปแล้วทําบุญแล้วตัวรู้เป็นบุญตัวหลงเป็นอวิชชาอวิชชาวิชาวิชาคือตัวสติตัวรู้อวิชชาคือตัวไม่รู้ตัวหลงเปลี่ยนอวิชชาเป็นวิชาแต่ตัวหลงตัวคิดเป็นสังขารตัวรู้สึกตัวเป็นวิสังขารเนี่ยเอามันอย่างนี้ปฏิบัติธรรมเอามันสุดยอดทะรูทะรวงไปเลย ในชีวิตของเราไม่มีตรงไหนที่จะรับไม่มีหรยในกายในจิตของเราเปิดตัวการเจริญความรู้สึกตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเปรียบเหมือนหายของควอมหายของที่ค้อมอยู่ให้หายขึ้นเหมือนกับเปิดของที่ปิดอยู่ให้เปิดออกความรู้สึกตัวเป็นการเปิดออกมาโลโลเนี่ยเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตอา้าว สุดท้ายคือเห็นธรรมธรรมคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกจิตกับใจมีมากกินความสุขความทุกข์ความาหเงาหอนอนความรังเลสงสัยความพยาบาทความมลาคะเป็นบุญก็มีความสงบความรู้ความสุขอะไรเรียกว่าธรรมมันครอบงาจิตเป็นคู่ของกิจสิ่งที่มันเป็นคู่ของกิจเนี่ยมันเฉพาะส่วนตัว เพราะส่วนตัวของจิตเป็นธรรมธรรมเนี่ยมันมีหลายอย่างเป็นกุศลบ่อยกุศลก็คือเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาดาเนินไปดาเนินไปกุศลตรงสร้างเอากุศลตรงละแล้วปะนะเห็นธรรมเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของเราอย่าเอามาเป็นตัวเป็นตนก็สักแต่ว่ามันกระนั้นธรรมสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ปุกคนตัวตนเราเขา เห็นเห็นจริงๆแต่เป็นด่านสี่ด่านนี่กักเราไม่อยู่แล้วกักมาอยู่แล้วไปแต่เพือเถือแล้วถ้าเป็นการไปไหนล่ะไปจากความหลงไปสู่ความรู้ไปจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้ไปจากกิริชาไปมีวิชาตัวรูนะ้เน่ยเป็นทาได้สัมผัสได้สัมผัสกับตัวรู้ได้สัมผัสกับตัวรู้นะโอ้ขนหัวลูกนะ เห็นอะไรก็ไม่ใช่เห็นไม่เท่ากับเห็นชีวิตของเราทัศนนุตรียะทัศนนุตรียะไม่ใช่ไปท่องเที่ยวทั่วโลกทัศนนุตรียะในเห็นเรื่องของกายของจิตใจเรามันมีอะไรลู่หมดลู่ครบรู้ท่วนเมื่อมีการเห็นเกิดขึ้นก็ปฏิปทานุตรียะเกี่ยวข้องกับกายกับกจิตเกี่ยวข้องกับกายกับเวทนากับกจิตกับธรรมถูกต้อง เดี๋ปฏิปทาแ้ามันหลงก่อนละความหลงมีความรู้สึกตัวเข้าไปแดนแต่ก่อนนี่ความหลงสร้างความหลงความหลงสร้างความหลงบัดนี้ความหลงสร้างความรู้สึกตัวอ่าปฏิปทาความโกรธสร้างความโกรธสมัยก่อนบัดนี้ความโกรธสร้างความรู้สึกตัวความทุกข์สร้างความรู้สึกตัวอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ ตัวลูกสึกตัวเนี่ยเป็นตัวเฉลิยได้ทั้งหมดเลยเฉลิ้ยได้ทั้งหมดเลยนะเอาละนะค่อยๆกับว่าเอาไว้หลังได้บ้างสิ่งที่ไม่รู้ก็เกิดรู้ขึ้นมารู้แก้งด้วยรูปแบบนี่ไม่มีคำถามนี่แต่คำตอบตัวเองต้องตอบตอวเอ ง, อ ง, เองรูปแบบเนี่ยรูปแบบเป็นปัจจัดตังเห็นความหลงก่อน หัวเลาะความหลงเห็นความทุกข์หัวเลาะความทุกข์ไม่ได้ทําอะไรเพียงแต่รู้อย่างเดียวเงียบไปเลยถ้าเป็นฤาษีตาไฟก็ไหม้แล้ววอดไปแล้วเป็นฌานเป็นการเพ่งเผาไม่เหลือไม่เหลือเป็นการชนะตัวเองการชนะตัวเองแบบเนี้ยมันเป็นการสุดยอดของการชนะทั้งร้ายในโลก นะตัวเองอัตหาเวชิตังเสออยโยชนะตัวเองนั่นแลเป็นดีจนาคนอื่นลอยครั่งพันหนุนไม่เท่าชนะตนครั่งเดียวพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้ถ้ามาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะนะได้ทิศใต้ทางถ้าเป็นทางก็ผ่านได้ผ่านได้ถ้าเป็นทางแต่เป็นทางในประเทศไทยเราก็ ไฮเวลหรือไฮเวลหรืออะไรไฮเวลถ้าเป็นสรัดเขาเรียกว่าอะไรสัดเขามีฟรีเวนะอ่าพ่อเคยไปอยู่สรัดนะฟรีเวภาพเวนะเขาลดบรรทุกก็ก็วิ่งเฉพาะบรรทุกนะรดนั้งก็เฉพาะลดตั้งรถโดยสารเฉพาะลถโดยสารนะเราฟรีเวไม่ปนกันรถของประเทศเขาไม่เคยชนทั้งหน้าไม่ใช่ประสานงาถ้าชนก็ช่างหลัง เขาพยายามที่จะทําให้รถชนข้างหลังไม่มีคําว่าข้างข้างข้างหน้าไม่ไมไ่แล้วแปลว่าฟรีเวย์การปฏิบัติธรรมกับมันกันได้โอกาสได้ทางทางฟรีเวกด้วยทานได้เลยนะปฏิบัติธรรมพบทางพระพุทธเจ้าเทศกันแรกเนี่เทศเรื่องทางไม่ใช่เทศเรื่องอะไรธรมมจักรกับวัฒนสูตรพูดเรื่องทางของชีวิตหลับ ทางสุดตรงทางตันทางผ่านไปเจอความหลงก็หลงอยู่ตรงนั้นเสีเวลาอยู่กับความหลงนานไหมชั่วโมงหนึ่งไม่ไหมไปเจอความโกรธก็จนอยู่ในความโกรธโกรธอยู่คร่มวนันคร่มคืนไม่ไหมแสดงว่าทางตันไม่ผ่านจนเอามาคิดมาคิดเรงนั้นคิดต่อคิดตี โกรธให้น้องก็เตีน้องโกรธให้เพื่อนก็ตีเพื่อนด่ากันได้เนี่ยมันเสียเวลาถึงไม่จำเป็นอ่ะไม่จาเป็นจริงๆเราเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้มามากแล้วทั้งทั้งที่ไม่เป็นประโยชน์เสียผู้เสียคนไปก็ไม่หวังผู้หวังคนนะขอให้ได้พูดเรื่องนี้กันเถอะพวกเราฐานะที่เป็นชาวพุทธบริษัท ถ้าพุทธบริษัททําลายสิ่งเหล่านี้ลงไม่ได้อย่าไปเรียกว่าตัวเองเป็นพุทธบริษัทหรอพุทธทางแสดงคดชามิไม่ใช่พูดแต่ปากพุทธทางแสดังคชาไม่ข้าพระเจ้าเห็นพุทธะตัวนี้คือตัวปัญญาทําลายสิ่งเหล่านี้ลงได้เบาบางลิ้นหมดไปจึเงเกี่เรียกว่าพุทธะนะตามหลักของปรัมมัทธสภาวะธรรมตามหลักของสมมติก็เอา้าเพนะเบียน บ้านหรือว่าพุทธศาสนาแต่ยังโกรธยังโลภยังหลงอยู่ไม่ใช่ยังทุกข์อยู่ก็ไม่ใช่พุทธบริษัทจังเก่งไม่ต้องทุกข์ข้าพเจ้าอาศัยพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ข้าพเจ้าอาศัยพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่สรณะข้าพเจ้าอาศัยพระธรรมแล้วข้าพเจ้าจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ข้าพเจ้าอาศัยพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสนณะข้าพเจ้าอาศัยพระสงฆ์แล้วจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ พุทโธ ท, ทุกขัสสคาตาจาวิขาดาจา่าผู้เท่เจ้าเป็นเครื่องกําจัดทุกธรรมโอทุกขัสสคาตาจาวิขาดาจา่พาพระธรรมเป็นเครื่องกําจัดทุกสังโคทุกขสสะเราสวดเมื่อกี้ได้ยินไหมสงเป็นเครื่องกําจัดทุกตรงนี้เข้าไปตรงนี้เข้าไปไม่ใช่ไปถืออวดกันไม่ใช่น้อต้องเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราจริงจริงโอ้ เราจะยกมือไหว้ตัวองโอ้เราเป็นพุทธบริษัทเราเป็นเราเป็นพระ พ, พุทธเป็นพุทธศาสนาจิตใจต่างเก่าล่วงพ้นภาวะเดิมอันนี้นะปฏิบัติธรรมนะจึงเป็นเรื่องที่จะต้องกระตือรือร้ น, นเขาพัฒนาแบบนี้ทุกวันไหนเขาไปไกลแล้วผู้นับถือพุทธศาสนาในภาคปฏิบัติเขาไปไกลแล้วเรายังมาลุ่มาโกรธมาหลงมาอิจฉาพยาบาทกันทําไม มันมีประโยชน์อะไรบางทีเนี่ยทำให้เสียเวลามากทีเดียวสามีพันยาแตกแยกกันความขลบความโกรธความโลงทั้งทั้งที่มันไม่มีตัวไม่ตนมันก็เป็นอารมณ์เกิดขึ้นครอบงำจิตใจมันไม่ใช่ตัวใช่ตนมองเห็นทำทำมาลมเป็นธรรมไม่ใช่จิตเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่จิตเด็ดขาดเลย บางทีเราเคลิว่าโกรธเราดึกว่าเราโกรธกูโกรธไม่ใช่ทํายากใจบางคนทําใจได้ยากไม่มั่นใจตัวเองอย่าไปพูดใ้ใครได้กินหน้าอายหน้าอายมากๆเลยพูดแบบนี้ฉันไม่มั่นใจตัวฉันผมไม่มั่นใจตัวผมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไงขออย่าไปพูดเลยค่ะนาหน้าอายที่สุดอายอะไรเราถ้าหลวงพอว่อาอายหมา <c oughs> ขอโทษด้วย เพื่ออะไรใจของเรามันต้องมั่นใจฮะต้องพึ่งให้มันได้ใจของเรานะีะยฮะต้องพึ่งใจเรามันต้องพึ่งใจเราเอาไว้ตรงเนี่ยเอาตรงที่ไม่เป็นอะไรมันมีที่อยู่ใจคืออะไรปกติอ่าที่อยู่ของใจปกติแล้วปกติทําได้ง่ายทํำได้ง่ายมากไม่ยากเหมือนกับความปรุงแต่งพุ่งสร้างการปกติเดี๋ยวโอ้ยใจพักผ่น ไม่สิ้นเปืองพลังงานนอนก็รับสบายถ้าไม่ปกติเนี่ยกลางคืนเป็นผ่อนกลางวันเป็นเปลวร้วองคืนว่าผ่นอนกลางวัวนว่าคิดโอ้ยหมดพลังงานแล้ยคิดมากมากหมดพลังงานนะหมดพลังงานใจคอไม่ค่อยดีหน้าซีดนะไม่ชัดไม่เจตอนเนี่ยเรื่องเนี่ยขอให้เป็นชีวิตชีวาของเรา แล้ววิธีอื่นก็ไม่มีแล้วมีแต่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ใช่อะไรต่างๆเป็นการเจริญสติรุ่นรนการปฏิบัติธรรมนะตรงเข้าไปอย่างนี้นะตรงเข้าไปอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อตรัสรู้ของพระ อ, องค์เลยเกิดอะไรขึ้นปีนี้เขาออกข้อสอบก่อนพระุทธเจ้าตรัสรู้่ะมียานอะไรเกิดขึ้นเจรออค์ มีญานลักษณะแบบไหนในตำราก็ไม่ว่าบุพเพได้วาสานุสติญานดละลึกถึงการเก่าการหลังข้างหน้าข้างหลังถอยกลับถอยไปหน้าได้บุพเพในวาสานุสติยานคิดมาเห็นรูปเห็นนามไม่เห็นกายเห็นจิตตามความเป็นจริงมันล่วงออกมาได้แต่ก่อนเราอยู่ตรงนั่นอนะ่ะตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้นบุพเพจะให้ไปโกรธอีกมันทําไมได้ จใจไปทุกอีกวันทำไมได้บุปเพแต่กอนลอยต้นโอ้ยขนหัวลุกวันนี้เราอยู่ตรงนี้สะอาดวันเราเป็นผู้ใหญ่อไม่เล่นขี้โคลนเหมือนเด็กแต่มื่อสมัยเป็นเด็กเนี่ยปอยให้เล่นขี้โคลนเขาชอบมากพ่อแม่ก็เห็นลูกเล่นขี้โคลนเอามาล้างแต่เดมก็ยังเล่นอยู่พอผู้ใหญ่ไปเห็นเอามาล้างตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่ไม่เล่นขี้โคลนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่พุงไม่แตง่งบริสุทธิ์จิตใจ ไม่ภูไม่แฝดคิดใจบริสุทธ์นะบริสุทธิ์ต่ออะไรหลายอย่างตรงต่ออะไรโลกหลายอย่างตรงต่อเพื่อนตรงต่อเวลาตรงต่อการงานตรงต่อสินตรงต่อธรรมอันมีความสุขจริงถ้าจะเป็นความสุขมันมีความบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าปกปิดสนลิบเหมือนบอ่อที่เทข ย, ย, ยขะูลฝอยเน่าใดเปียกแข็งไหมบริสุทธ์ โอ้ลิสุดอ่ะบุเพมันคิดจะให้ไปโกรธด็กโอ้ยทําไมได้คนหัวลูกแม้แต่คิดมันก็ไม่กล้าแล้วตัวคิดเนี่ยกับเปือเป้อนแล้วตัวคิดนะเปือเป้อนกว่ากายที่ไปทำตอนคิดที่มันต้องเป็นจําเลยที่หนึ่งคือคนคิดจาเลยที่สองคือกายเบากว่าแต่ตัวหนักคือตัวคิดตัวคิดคือตัวหลงพอดีกับเราสร้างตัวลูกกันมาอ่า เห็นอะไรแบบนี้นะจุตัวปัจยารู้จักที่ตั้งที่เกิดของชีวิตเราตั้งไว้ตรงไหนจุตุแปลว่าที่เกิดที่ดับจุดตัวหลู้จักแล้วควบคุมเลยแล้วควบคุมการใช้ชีวิตได้ยอย่างถูกต้องไม่ฟุ้งซ่านไม่ตบหน้าตบหลงังบางคนปฏิบัติไม่ถูกต้องนั่งหลับหูหลับตาไม่ต้องเห็นอะไรบเรีกรรมลงไป โทรลงไปสัมมอลลังลงไปยบหนอพองหนอลงปิดตาไม่ต้องฟังอะไรเข้าดวงเข้าฝาไม่ดูผู้ดูคนไม่ใช่ต้องลืนตาต้งหูได้ยินอะไรก็ตามเห็นมันเนี่ยจูตๆไปว่าเราดูจูตๆแปลว่าเป็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้เป็นไม่ได้เข้าไปเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเห็นมันถ้าเห็นเราก็หลุดพ้นแล้วจูตๆไปว่า ที่เกิดที่ที่ดับที่ตั้งโอ้อยานยานเกิดกันควบควบได้ชีวิตของเราในแม่สี่ันเรื่องควบคุมได้ตัวรูตัวหลงอาสวัคยายานรูจักธรรมกิเลสเบาบางลงไปชาวพุทธเราพุทธศาสนาต้องชนะกิเลสได้บ้างกิเลสก็คือทมสิ่งไหนที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองสิ่งไหนที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเอาชนะได้บ้าง เปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลกมันยากขนาดไหนมีสิทธิไหเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธมีสิทธิไหมทำไมไม่เปลี่ยนมันดีขนาดไหนจะต้องไปยึดเอาไว้ความโกรธเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเรียกว่าอาสะวัคคัยานน้อยน้อยขึ้นไปเป็นโพธิขึ้นไ ป, ป, นนไปอาสะวัคัยานทำลายกิเลสให้หมดลงไปได้บ้าง ไม่ใช่เราจะแพ้ไปจนตายนะสิ่งเหล่านีนะเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงมันยากขนาดไหนเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นะเมื่อไม่ออกเพียงแต่รู้สึกตัวเท่านั้นนะผมรู้สึกตัวเป็นเครื่องทุ่นแหลกมรู้สึกตัวเป็นเครื่องทุ่นแหลกของยากทำให้ง่ายของหนักทำให้เบาเราจึงมาสอนกันวิธีนี้ให้สร้างสติให้สร้างสติ เมื่อมีสติมันจะเป็นยังไงพิสูจน์ตรงนี้สร้างตรงนี้เอากรำเอาการกระทาเอากรำบุกเบิกไม่ต้องไปใช้หัวคิดปัญญาเหตุผลต้องเอาการกระทำลุกอไปลุกไ ป, กไปสัมผัสเอากายไปต่อไปจุ่มเอาความรู้สึกตัวเอากิตเอาใจไปจุ่มเอาความรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวเดินอยู่ในกายของเราให้ความรู้สึกตัวเดินอยู่ในใจของเรา ในกายในใจไม่แต่ล่องลอยแห่งความรู้สึกตัวให้มันมากลองดูหลวงพ่อก็พูดให้ฟังเอาตอนนี้ก่อนเนะาะตอนนี้เนาะพูดไปหลายมันเย้ามันยืดปืดผุมใหม่คล่อเบ่าแั่งไรสี่สิบปีพูดไปสี่สิบปีแล้วนะพูดก่อนเก่าเรื่องเก่านี่แหละเบืเ่อไหมก็เบื่อออ้ามาที่นี่ต้องสอนกันเรื่องไหนนะ ไม่ใช่ไปสอนอะไรต้องสอนให้มีสติให้มีสติให้รู้สตัวให้รู้สตัวนะ